ก็กราบสวัสดีหลวงตากรมผู้เป็นประธานนะครับแล้วก็พระพันเตผู้มีอาวุโสมากกว่าข้าพเจ้าออทั้งหลายนะครับแล้วก็เพื่อนที่ร่วมพรรษาด้วยกันมานะครับก็แล้วก็เหล่าญาติธรรมไม่ชีแล้วก็เพื่อนสาธมิกนะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ได้มาสแสดงธรรมแล้วก็ไม่เคยซ้อมนะ ก็จะจะพูดถึงถึงอะไรที่ที่ตัวเองเจอบ้ า, บางแต่ก็มันก็ไม่ใช่ทำที่เพียวไปทั้งหมดนะฮนะหมายความว่าอาจจะไม่ได้ทําให้ตัวเองสั่งสอนตนจนบรรลุได้หรือทําให้ผู้อื่นบรรลุได้แต่ก็จะจะพูดต่อไปแล้วกันนะครับจากจากความในใจแล้วก็จะถือว่าเป็นการเทศนาเลยเรียกว่าการพูดธรรมะแบ่งปันแชร์สู่กันดีกว่า ก็เริ่มนะครับเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่ายัางเจ้ามาขอพระคุณกรบทนี้จากพระพุทธโคสอาจารย์โตพรมลังสีนะครับก็แต่งไว้มานานแล้ว ที่เรามานั่งอยู่เพื่อปฏิบัติกันเนี่ยก็คือเพื่อปฏิบัติเพื่อความไม่มีตัวตนใช่มครัทีเนี้ยอย่างอย่างตัวตัวพระเองเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นพ้าขาวเนี่ยจะศึกษาพุทธปัจญาก็คือคือจะเน้นทางปัจญาเลยทางทางวิธีคิดแล้วก็ทางวิธีพิจารณาในทางพุทธศาสตร์เนี่ยจะมีวิธีคิดอยู่อย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้ารวบรวมมาจากปวงปัจญายอินเดียมา่ก่อนแล้วก็เอามาอยู่ในศาสนาพุทธด้วยชื่อว่าวิพัฒชวิธีวิพัฒชวิธีเนี่ยคือการจับแยกองค์ประกอบต่อสิ่งทั้งปวงที่นํามาพิจารณาเช่นศาล้านี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากหลังคาคาล ร, รวมกันแล้วก็แผ่นไม้มารวมกันจริงๆนี่ก็ไม่มีศาลาหอไตร ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่มีมันคือไม้อันนี้เรียกว่าวิพัชวิตีหรือรถที่เราขับมาเนี่ยตัวรถเนี่ยก็ประกอบด้วยประตูพวงมาลัยกันชนเบรกจริงๆแล้วไม่มีตัวรถเลยถ้าจะให้เห็นชัดที่สุดเนี่ยอย่างถ้าหน้าร้อนอาจจะมีไม่ชีถือพัดมาพัดที่สารด้วยไม้ไผ่เนี่ยตอกไม้ไผ่จริงๆตัวตอกเนี่ยมันก็คือไม้อันหนึ่ง อาวสารถ้าดึงตอกออกทิ้งให้หมดเนะี่ยก็ไม่มีพัทละหรือเป็นฉลอมก็ไดนะ้ฉลอมที่เอาไว้ในสะ่เนี่ยฉลอมก็ถ้าก่อขึ้นเป็นฉลอมมันก็คือเป็นภายชนะถ้าไม่มีดึงออเสร็จก็ไม่มีอะไรอ่าอันนี้เรียกว่าวิภัทชวิทีใช่ไหมแต่การที่จะศึกษาทางพุ ท, พทธศาสตร์เนะี่ยพิจารณานอกตัวเนะี่ยมันก็เห็นแต่ พระพุทธเจ้าผู้เป็นปราชญ์แห่งโลกมนุษย์และหมู่เทวดาให้พิจารณาภายในเลยครับก็คือพิจารณาเข้าไปเนี่ยจริงๆอะกายเราเนี่ยเมื่อถูกแยกออกแล้วเนี่ยแขนขาไม่มีออกมาเปือยเปล่าแขนขาออกมากะโหลกหัวสมองออกมาเนี่ยมันไม่มีตัวเรานะเมื่อ ดึงผิวหนังออกเนะี่ยก็ไม่มีพวกนี้ ก, ก, กระจายเมื่อไม่มีโครงไม่มีเคสก็คือตัวกระดูกเนะี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมหาห่อเยวะอันนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีพระพุทธเจ้าพิจารณาเข้าไปอีกครับภายในเนะี่ยตับปอดม้ามไตเนะี่ยจริ ง, รงๆแล้วมีอนุภาคที่เล็กกว่านั้นก็คือตัวเซลล์แต่สมัยนั้นไม่เรียกว่าตัวเซลลนะ์อาตมาจําไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไร เอาว่าอธิบายว่าเป็นเซลล์ไปก่อนก็คือไอตัวไอตัวเซลล์เนี่ยเป็นล้านๆเร็วเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็ต่างทำหน้าที่เป็นเซลล์ที่อยู่ในตามันก็ทำหน้าที่ของตาเซลล์ที่อยู่ที่หัวใจก็ทำหน้าที่ของหัวใจเซลล์ที่อยู่ด้านไหนก็ทํทำหน้าที่ด้านนั้นเม <ME> ER ื่อพิจารณาลงไปในอวัยวะไปเจอเซลล์แล้วเนี่ยหลังจะเข้าไปในเซลล์แล้วเนี่ย พิจารณาลงไปอีกทีมันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นแค่คลื่นพอด้วยความที่มันเป็นแค่คลื่นเนี่ยมันไม่มีตัวตนแน่นอนตั้งอยู่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นคลื่นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของคลื่นแล้วก็เกิดดับของมันเมื่อพิจารณาลงไปอีกเรียกว่าสุญญตาสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาเนี่ย มันแบ่งแยกไม่ได้แล้วอ่ะมันคือความว่างพอมันว่างในสิ่งเนี้ยเพียงแต่เราอยู่ในโลกเราเพียงแต่อศัยกายคืออาศัยสังขารคือสิ่งที่พระพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการคิดพิจารณาของพุทธศาสตร์พิจารณาลงไปที่ตนนะที่ตนทีนี้เมื่อไม่มีตัวตนแล้วอ่ะ ตัวเองก็ไม่มีแล้วมันจะมีคนอื่นได้ยังไงก็ในเมื่อตัวเราไม่มีมันก็เป็นศักวาธาดพอเป็นศักวาธาเราก็ทําไปตา ม, มบทบาทสมมุติผู้ที่มีหน้าที่สิ่งใดก็ทําไปสิ่งนั้นด้วยความว่างเกิดจากสิ่งนั้นมั น, ม, นมันเอื้อปัจจัยให้ทําสิ่งนี้ก็ทําไปเลือกก่อเกิดเหตุดีในทางโลกผลมันก็จะออกมาดีเองโดยที่ ไม่ได้ต้องจะมีเจตนาที่จะนําไปสู่สิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่าสร้างเหตุดีแล้วมันดีเองเช่นให้ทานให้ถ้าสุขวะให้ทานแก่ผู้ยากไร้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะว่าเราจะได้บุญไม่ได้บุญบุญนี่เป็นสังขารอย่างหนึ่งนะต้องปรุงแต่งถึงจะเกิดอ่ะเอาว่าให้ทานแก่ผู้ยากไร้ทัศธรรมแรกคือให้เลยจบ ให้ปุ๊บจบจิตจบจิตก็คือให้ก็ให้ให้ก็คือให้ก็เห็นเขาอยากไร้เขาไม่มีก็ให้เขาไปสถานธรรมที่สองคือก็ให้เพื่อขยายเขาได้ดีก็คื อ, อ, อไปตั้งตัวใหม่รอดวันนี้มีอาหารทานวันนี้มีเงินในวันนี้เพื่อที่เขาจะไปสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็ น, นบุญกุศลอีกแบบหนึ่งซึ่งซึ่งมันก็ประกอบด้วยเจตนาที่ดี อันแรกเด้ยว่ากุศลที่ประกอบด้วยความว่างคือให้แบบบุญแผ่ไปเลยอะ่ะคือก็ไม่ได้สนบุญอะ่ะแต่อันนี้จะจะแผ่มากกว่านะคือไม่ไม่มันไรจตนาเลย อ, อีกสองก็คือเจิตนาในการหวังให้ผู้อื่นได้ดีพระมานั่งตรงเนี้จะไม่พูดเรื่องการปฏิบัติเพื่อการให้ทานแบบมองบุญหรือหลงบุญเพราะว่า เราอยู่ในวัดสายวิปัสนาถ้าพูดภาษาข้างนอกก็คือมันจะเสียแบนด์ก็พูดพูดที่มันเป็นศจธรรมมาเลยก็แล้วทีนี้ในเรื่องในเรื่องการให้หรือว่าในเรื่องการการบาเพ็ญเนี่ยในสายของหลวงพ่อเทียนเนี่ยทำไมถึงเน้นมาดูกายเพราะว่ามนุษย์เกิดมามก็มีกายอยู่แล้วไงตั้งแต่เราเกิดมาเป็น ตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยมันมีกายมันตลอดมันก็ง่ายอ่าทีนี้ต่อไปเนี้ยอาตจจมาจะพูดแบบสดละเพราะไม่รู้จะพูดอะไรต่ อ, อก็ขอเล่าเป็นเรื่องแล้วกันก็คือตอนเนี้ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยแต่ละคนถ้า ถ้าได้ท่องหรือได้สวดมนต์เนี่ยหรือได้สวดมนต์อยู่เนี่ยมันน่าจะเกิดปฏิกิยาคล้ายๆที่อาจะมาประสบก็คืออาจมาก็บวชบวชเรียนมาที่นี่ประมาณห้าเดือนเมื่อก่อนเนี้ยก่อนมาเนี่ยก็มาปฏิบัตินี่ขอเล่า ย, ยาวนะอาจจะต้องเรื่องก็คือเคยมาปฏิบัติครั้งแรกตอนสมัยเรียนมหาลัยก็จะมี ปฏิวัติแค่วันเดียวอะแต่ว่าทับใจไปทั้งชาติเลยก็คือมาเจอพระพระที่นี่บวชแค่สองเดือนชื่อหลวงพี่โอประวัติก็ก็เป็นลูกเถรษฐีลูกลก้านทองแล้วก็มามาปฏิบัติแล้วก็มาสอนก็คือพระมาปฏิบัตินอนหนึ่งคืนก็หลวงพี่โอก็สอนคือพระก็ก็ศึกษาส า, ายาผู้ชื่อก็ได้ สายวัดมาธาตุที่ธรรมศาสตร์ที่ท่าประจันมาทีนี้พระก็เดินจงกรมพระอีกรูปนึงเพื่อนหลวงพี่โอนี่ก็เรียกมาเอ้ยที่นี่ไม่เดินอย่างนี้ก็เดินเดินเดินให้ดูอโอเคแล้วก็นั่งเนี่ยที่นี่มีการปฏิบัติกรรมฐานไอ้นี่คือสายดูกายกา ย, ยานุปัสนาแล้วก็ยกมือเหมือนที่เร า, เร า, เร า, เราท่านท่านกำลังยกเนี่ยครับ ก็เนี่ยโยมยกมือเนี่ยอาตมารู้สึกพระก็ยกตามก็ไม่มีอะไรหลวงพี่โอพูดประโยชเนี้ยขณะที่หลวงพี่ก็พริบตายหลวงพี่รู้สึกแล้วก็พริบตายดูพระนั่งอยู่ด้วยกันแต่พระรู้สึกได้อะว่า พระที่นั่งอยู่ตรงข้ามะกระพิบตาแล้วรู้สึกตัวมันเป็นมันเป็นมหาสัจจันท ร, ร์แห่งจิตแห่งชีวิตมากเลยอะ่ะพี่มันไปนไม่ได้ได้ไงตั้งอย่างนั้นมาก็ก็หายไปหายไปก็คือไปปฏิบัติธรรมสายอื่นแต่ว่าแต่ว่าตัวเองนี่ก็เก็บเก็บความประทับใจไว้จนกลับมาที่นี่อีกทีตอนก่อนมาบวชก็เตรียมตัวประมาณ6กเดือน 6เดือนนี่คือตอนแรก ว, ว่าจะไปบวชที่ใต้หวัน <c oughs> คือคือจะบวชอยู่แล้วอะแต่ว่าแต่ว่ามีมีช้อยอยู่สามสามวัดนะฮะก็สรุปแล้วก็ได้มาที่นี่เพราะว่าเคยเคย ม, มันเหมือนมันมีรากบุญสัมพันธ์กันนะเพื่อที่จะไดมา อ, นนอันนี้อันนี้อธิบายแบบแบบพระก็ไม่รู้ ต, ต้นสายปลายเหตุทีนี้ก็มาที่เสร็จได้มาพบพระอาจารย์สมใจ ช่วงที่พระนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยช่วงที่เก็บตัวตอนนั้นยังไม่ได้บอกใครว่าจะบวชนะไม่บอกญาติโยมไม่ได้บอกพระที่ที่คอยถามว่าเนี่ยบวชไหมบวชไหมก็เป็นอ๋ อ, อ, อ, อ, อผมอ๋อผมมาปฏิบัติคนระับน่อ่ะแต่พระอาจารย์สมใจเทศเนี่ยพระซึ่งเป็นโยมตอนนั้นนั่งอยู่ข้างล่างโอ้โหวัดนี้มีพระเทศได้ขนาดนี้ด้วยนึกในใจนะฮะ แต่ก็ไม่เคยเข้าไปคุยธรรมะอะไรกับท่านตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ <c oughs> ไม่เคยคุย <c oughs> แต่ก็ที่จะเล่าก็คือปฏิกิยาที่พระเจอที่ปฏิกิยาที่พระเจอหลังจาก5เดือนที่มาบวชเนี่ยมันพบอะไรบ้างตามหนังสือที่ที่มีปกข้างหลังนะครจะมีที่หลวงพ่อเทียนเขียนไว้ที่หลวงพ่อเทียนท่านตรัสไว้ก็คือจิตเราอะ เหมือนบอ่อน้ำอ่ะแล้วเราก็บิดน้ำอาจจะโยนสารส้มไปกันเน่แล้วก็ข้างล่างมันก็มีเศษใบไม้มีเศษซากสัตว์อะไรเนี่ยมันจะค่อยๆใสขึ้น ấy. ก็คือพอมันใสขึ้นน่มันจะเห็นอะไรตกลงไปแล้วมันจะเห็นก็คือเหมือนทุกวันนี้ของพระเนี่ยเวลาอย่างมาเช้าๆเนี่ยก็คือสภาวะอะไรผ่านมาเนี่ยมันเห็นปุ๊บเลยเพราะมันมันใสแล้วไง มันใสแล้วมันเคลียร์แล้ววิตน้ําวิตน้ําเก่าออกน้ําใหม่ผุดขึ้นมาวิตน้ําเก่าออกน้ําใหม่ผุดขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยซึ่งไอ้สภาวะรมเนี้ยช่วงพระอยู่ข้างนอ ก, นอกมันทําได้ยากมากด้วยความที่1อาจจะเคยตัวเคยตัวก็คือคือพระนี่ก็ก็อยู่ในโลกของธุรกิจนะนี ก็ขายของตามห้างในสยามลงอีเวนต์อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเรามันก็เยอะพอสิ่งเราเยอะเนี่ยต่อให้จิตเราฝืนกระแสมากๆเนี่ยฝืนกระแสม า, ากก็สักแต่ว่าทำสักว่าถอนเงินสักแต่ว่าเอาเงินไปเข้าแบงก์ทำได้แต่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมันเสื่อมอ่ะมันมันตุ้มตุมน ต, มตอมตอมะ่ะ คือ31พบภูมิอาจจะมีแพยในวันเดียวเลย แ, ลแต่ทีนี้พอมาอยู่ในวัดเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเหมาะก็คือผู้คนที่นี่ล้วนแต่เป็นกระยามีซึ่งกันและกันพบหน้ากันไยงยิ้มแย้มเช้ามาก็พรกก็มีกิจไปบิณฑบาตกลับมาก็ก็ฉันสวดมนต์ตามหน้าที่บทบาท ผู้คนที่นี่อย่างวันนี้วันนี้พระพระได้มีโอกาสร่วมในงานกรมกรกับเพื่อนทุกอาทิตย์เออทุกทุกปักสำหรับบุคคลที่เนี่ยวันนี้ก็มีชาวต่างชาติมาร่วมมีผ้าขาวมีคนที่อยู่ที่นี่ซึ่งมันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่ดีงามอ่ะโดยที่แต่คนก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวว่าจะทำเอาหน้าหรือว่าจะทำเพื่อ เพื่อติดดีอ่ะเพื่อติดดีว่าฉันเป็นคนดีฉันช่วยงานสังคมแต่ที่นี่ก็คือก็ทำก็ทำ่ังคนก็ทำไป ห, หรือคุณจะไม่ทำก็ไม่มีใครว่าคุณจะทำน้อยก็ไม่มีใครว่าทีนี้ถ้าไปอยู่ข้างนอกถ้าไปอยู่ข้างนอกมันจะเจอภาวะอะไรเยอะแยะอาตมาผมเลือดอาตมาเองเนี่ยก็ก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานเกี่ยวกับชุมชนเยอะ พอลมควรทำกับทีวีช่องหนึ่งมันก็เต็มไปด้วยการแข่งแย่งแข่งขันแข่งแย่งแข่งขันกันด้วยด้ความติดดีนะ่แหละก็คือแข่งเรื่องเกียร์เงินอ่าคือแข่งเรื่องเงินเนี่ยอาจมาในยุคนั้นนี่คือโอเคนะไม่ไมาเพราะคนมันก็ต้องใช้เงินทีนี้ ย่งมาอยู่ที่นี่ทุกคนที่ว่าต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ไปไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าว่าจะต้องชิงดีชิงเด่นกัน อ, อันนี้คือสภาวะของของของที่นี่ซึ่งเหมาะสมเอื้อหนุนต่อการปฏิบัติให้ดําเนินคืบไปเรื่อยๆตัวตามาเองเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ในภาคของไอการที่เอาสารสม้มจุ่มลงไปในน้ํา ดูเศษอะไรที่ตกลงไปใสเห็นใสเห็นนะอาตมาไม่ใช่เป็นโหบวชทาเดือนแล้วโอ้ได้ทำเขียนหนังสืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียงแต่ไอการนำประสบการณ์ของตงนเองมาแชร์คาดว่ามันจะดีต่อผู้ฟังอและนำไปพิจารณาได้ว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งที่พระพูดเนี่ยเออมันมันเป็นไม่ได้นะอะมันเป็นไม่แล้ว <laughs> ก็อีกอย่างวันเนี้ยที่ที่ไปที่ไปที่ไปร่วมงานกรรมกร น, นะมันจะมีอยู่สภาวะหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งพระเองเนี่ยก็ก็จำได้ก็คือสภาวะเนี้ยอยู่ข้างนอกมันก็เกิดแต่อยู่ข้างใ น, นมันเกิดบ่อยมันเป็นวันนี้พระเหนื่อยเพราะปกติพระก็ไม่ได้ไปแบกอะไรเยอะแยะ ก็เดินจงกุมก็เดินตัวเปล่าอย่างวันนี้มันก็มีมีการต้องยกต้องคือต้องยกอิยกของอะไรเงี้ยทีนี้มันมีสภาวะหนึ่งซึ่งในตอนที่เหนื่อยตอนที่เหนื่อยมันไม่ใช่ตัวเราเขาไปเหนื่อยมันเห็นคือจิตมันเห็นจิตมันเห็นว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันหายเลย ถ้าพูดภาษาบาลีเรียกเอโกดิภาวะก็คือจิตมันเป็นหนึ่งมันแยกอจิตกับกายมันแยกกันอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยไปฉันจะดูก็ดูเหนื่อยก็เหนื่อยถ้าโดยส่วนตัวสภาวะที่พระเห็นบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือสภาวะง่วงแล้วเดินจงกรมกลางคืนเนี่ยง่วงมาเลยง่วงเนี่ยชอบเพราะมันจิตมันจําสภาวะทําได้ ง่วงปุ๊บเห็นปับ๊บง่วงปุ๊บเห็นปับ๊บหายปุ๊บพอจิตจําสภาวะทําได้แล้วเนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องไปเพ่งไปจ้องว่าจะรู้ว่ามันจะง่วงหรือไม่ง่วงมันเห็นมันเองมันเหมือนรู้ว่าหมอเนี่ยหมอเนี่ยมันต้องเดินผ่านหน้าบ้านเราอะไอเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเดินผ่านซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ย ช่วงกลางคืนะมันง่วงแน่อ่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งสภาวะอื่นพระยังไม่ได้เห็นไงเช่นอารมณ์ของความฟุ้งจิตยังจำไม่ได้มันก็ฟุ้งก็ปล่อยมันฟุ้งไปแต่อย่างพระช่วงนี้ก็จะคือฟุ้งมันก็ฟุ้งอยู่ในกุศลน่ะฟุ้งมันก็ฟุ้งมาเป็นบทสวดคือมันฟุ้งมาฟุ้งมาเป็นมาเป็นสายมารกแป ไหนเวลาก็เหลือเล่ า, ลามากแปดได้ฟังแล้วกันจริงๆในหนังสือก็มีอาจจะมีการถ่วงเวลาตัวเองอ่าก็อีทางโคะนาพิกเวดูก่อนวิสูทั้งหลายทุกคนิโรทคามินีปฏิปทารีอสั จ, จังก็คือนี่แหละคือหนทางแห่งการดับทุกข์ไปสู่ความเป็อิอริเยอริโยทั้งที่โกมัคโคอ่าก็เล่าเลยแล้วกัน ก็คืออย่างแรกสมาธิฏิไม่ต้องแปลเนาะสมมาทิฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจสัมมากรมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิคือแต่ละตัวเนี้ยแต่ละตัวถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางเนี้ย พระพุทธเจ้ารับประกันเองเลยว่าไม่ว่าอย่างไรก็เข้าสู่อริยะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคือคุณทรอาชีพอะไรอะ่ะก็อาตมาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้นะถือศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยกว่ากว่าบปนพะสามร้อยกว่าแบบพิสุณีแต่ถ้าถ้า ถ้าถือเนี่ยมัรก8เนี่ยคือมันแน่นอนไงคืออาจจะมาเองก็เพิ่งบวชมาห้าเดือนก็ไม่ได้เป็นพระจ๋านะก็คือแล้วก็เชื่อเชื่อคำพูดของพระพุทธเอ่อท่านพุทธทาสบิกขุพระอาจารย์เบืธาตุก็คืออยู่บ้านนิพพานได้คือปฏิบัติธรรมอยู่บ้านนะ่ยเมื่อก่อนพระก็ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านแต่มันก็มีบ้างที่ ที่บางทีสีนมันมันต้องมันต้องด่างพ้อยก็คือบางทีมีปาร์ตี้แต่ก็น้อยมากอะนะปาร์ตี้ก็คือมีดื่มบ้างแต่การดื่มนี้พระจะคิดเงินเลยคือไอ้คนที่เอามาให้ดื่มเนี่ยหนึ่งจิบเนี่ยต้องเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือคือเป็นนักธุรกิจอะ่ะ <c oughs> ทีนี้ไอ้การปฏิบัติธรรมเนี่ย ที่จะบอกเนี่ยมันไม่เลือกสถานที่เพราะจริงๆแล้ววิหารธรรมก็คือกายกระใจเราเนี่ยแหละการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่ที่ศาลาไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่นิกายไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์เพราะจริงๆแล้วคนมันก็จะไปติดภูเขาแห่งพุทธธรรมไปติดรูปแบบประเภทนี้หัวโขนบางคนก็ไปติดอจริยยาก็คือครูบาอาจารย์ ไปติดตำราเอ้ยอันนี้ไม่มีตำราว่าอ ะ, อะไรเงี้ยซึ่งไอหลักการเหล่านี้เราต้องปฏิบัติเองและรู้เองเห็นเองเมื่อรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังยืนยันได้ด้วยตัวเองนี่แหละก็คือคุตตสสนาย้อนกลับมาทำไมพระถึงมานั่งอยู่นี้ทำไมเลือกบวชที่วัดนี้ปรมาจารย์ทั้งสององค์ หลวงว่เทียนหลวงพ่อคำเขียนไม่เคยพูดอ้างเลยเท่าดิพะอยู่ฟังเทศมานะธรรมะนี้ของหลวงปู่นั้นเทศสตธรรมะนี้ของหลวงพ่อนั่นเทศสตหลวงพ่อนั้นกล่าไวไว้ว่าอย่างนี้หลวงปู่นั่นกล่าไวไว้ว่าอย่างนี้ท่านพูดออกมาจากที่ท่านเจอท่านพูดออกมาที่ท่านประสบแล้วท่านกระเทศออกมาแล้วก็กล้ายืนยันรับรองคำพูดของตน ก็มันง่ายมันง่ายที่คนเราอะ่ะคนเราะจะไปหลงเคยชินกับรูปแบบเดิมๆอัตมาในไหนเล่าเรื่องตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องตัวเองต่อก็คือก็อยู่ในสายปฏิบัติธรรมผ้าขาวมามีทุกมีหมดอะ่ะมีพระที่ยังไม่ได้ทำอยู่อย่างก็คือสายอนุตระ ไปเปิดยานวาวรนีไม่ได้ทำค <c oughs> งคงเข้าใจแล้วว่าที่นี่ก็อีสานที่สายเนี้ยมีเยอะ อ, อ, อนุราธรรมแล้วก็สายไหนก็ไปปฏิบัติมาธรรมะเปิดโลกอ่าก็ไปปฏิบัติมาก็เห็นผู้คนก็ออก นี่นี่ภาษาพระนะออกก็คือโอ้ก็ออกอะ่ะออกออกแบบร้องหุม่มง่ายอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพระก็ดู เ, ออเฉยๆและนี่เล่าประสบการณ์ด้วยการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพระก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงการวงการ NLP นิวโรลิมิสติกโปรแกรมมิง ก็คือไอวงการเนี้ยมันก็จะเป็นวงการของการสั่งจิตให้ประสบความสำเร็จอ่าเป็นของศา ข, ของตะวันตกนะทีนี้ผลการปฏิบัติของเราเนีเราก็ดูจิตมาตลอดอ่าเราย้อนนิดหนึ่งก็คือพระเนี่ยซุ่มปฏิบัติสายหลวงพ่อปาโมลด์ประมาณ4ปีถึงหปีจนจิตมันตื่นอ่ะจิตมันตื่นแล้วมันก็หายไปมันก็ไม่เที่ยง ความดีความเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปอทีนี้ก็คือมันจะมีในภาษาของของการของ NLP สิ่งสูงสุดอะ่ะเขาจะเรียกว่า breakthroughbreakthrough Break ก็คือโอค้นพบแล้วโอยชีวิตฉันอนาคตฉันต้องไปยังไองอะไรเงี้ยอาจจะขึ้นมาเป็นนิมิตหรือว่าขึ้นในแบบที่ตนรู้ อ, ะอ่ะ มันก็มีอยู่วันหนึ่งพระก็ไปอบรมแต่พระเป็นสตาฟนะที่นึ่งเคยทํางานด้านนี้ก็ถือว่าตัวเองเป็นโค้ดมันจะมีอยู่ที่หนึ่งประมาณสองรอคนเนะี่ยเข้าไปอบรมพอเบรกทูเนะี่ยโอ้โหร้องไห้กังงมเนละพระมีสติอยู่คนเดียวพระก็เข้าไปก่อดคนนันคนนี้เออดีไปถ้ามกลางคนหลงเนี่ยเราไม่หลงมันจะตรงกับคําพูดของ หลวงพ่อคําเขียนนะที่มีอยู่ข้างล่างะพาชอบไปยืนอ่านที่ว่ามีรถขับสวนมาเห็นเขาหลงเราไม่หลงเนี่ยจบละเวลายังเหลืออีก5้าทีะก็จะพูดเรื่องทัศนธรรมทัศนธรรมของเถราวาทเนี่ยเถรวาทนะทนนะดับศูนย์ปรินิพานระดับแต่ถ้า มหายานบางสายในสัตทธรรมปุริะสูตรจะพูดไว้ว่าพระพุทธเจ้าซึ่งบำเพ็ญมาสองแสน ส, สี่อสองไขยแสนมหากราบเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะละกายสังขารที่ว่าอยู่ไม่ถึงกราบเนี่ยก็คือแปดสิบปี กับ1น0 0ร้อยปีในยุคนั้นก็คือแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้แสดงมันเป็นบทบาทแสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยกายของท่า น, นก็ดับไปคือกายสังขารกายเนื้อก็ดับไปแต่สัมภูกรกายและธรรมกายยังอยูอ่ก็คือถ้าภาษาถ้าภาษาทางมหายานสายนีก็จะเรียกว่าที่ดับไปคือนิมาลกายอ่า ที่ตั้งอยู่ก็คือธรรมกายก็คือกายเดิมแท้แล้วก็กายสัมโพกกายก็คือกายทิพย์อันนี้อันนี้พระพระนำมพูดเฉยๆเพราะว่ามันเวลามันยังเหลือ อ, อีกสายที่น่าสนใจของมหายานก็คือสัตรธรรมปรมิรมตรไทยสูตรก็คือสายเนี้ยพูดง่ายๆ และสั้นที่สุดแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดาของมหายานนะครับก็คือรูปไม่ต่างจากความว่างรูปไม่ต่างจากความว่างเวทนาสังขารวิญญาณก็ไม่ต่างจากความว่างเช่นกันเช่นรูปผู้แค่นี้ง่ายไหมทุกอย่างเปความว่างไม่มีอวิชชาและไม่มีไม่อวิชชา คือไม่มีถึงแล้วก็ไม่มีไม่ถึงไม่มีบรรลุแล้วก็ไม่มีไม่บรรลุด้วยสัตทธรรมนี้สัตท ธ, ร ร, ทธ ร, รรมแห่งนี้ทําให้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์บรรลุอันนี้คือมหายานคือพระก็ ก, ก็พยายามศึกษานะเพราะว่าตัวเองก็ก็ชอบชอบศึกษาแต่ถามว่าทําไมเลือกสายนี้ก็อย่างที่ทราบ ก็คือสุขาวิปัสสโกสามารถที่ทำให้คุณเป็นอริยะโดยไม่ต้องรู้อะไรมากรู้กายอย่างเดียวง่ายง่ายง่ายเราไม่ทำา อ, อาตจจมา ก, ก, ก็ก็นานนะกว่าจะกว่าจะมาบวชที่นี่ทีหลังจากตอนมหาลัยมาปฏิบัติก็ไ ป, ไปเผชิญโลกเยอะแยะมากมายก็คาดว่าทุกท่าน ที่พบเจอมาในณนะสถานที่แห่งนี้ก็คงก็คงเลือกถูกแล้วอะ่ะเพราะว่าอย่างแรกในหมู่ชนผู้ศรัทธาธรรมเนี่ยจะแบ่งอย่างแรกอย่างแรกเรียงเป็นพีระมิดนะเดี๋ยวพระจะไล่าจากจากส่วนที่ถือว่าล่างในยิ้มก็ไม่ล่างเพราะจริงๆมันมันไม่มีล่างไม่มีบนก็อย่างแรกก็คือทานผู้คนทั่ ว, วไปเนี่ยก็คือให้ทาน จริงๆคุณเปิดโต๊ะสนุกขายเหล้าเปิดผับคุณก็ให้ทานได้ให้ทานหรืออภัยทานก็ได้อันนี้ก็คือไปทานเหมือนกันนะนทานลาดับของพิระมิดฐานถือว่าฐานลาดับถัดขึ้นมาศีลมีศีลครบคนมีศีลแบ่งขึง้นมาอเกตภาวนา ภาวนาก็มีสมถะมีสมถะก่อนสมถะโอ้ยเยอะแยะมากมายอ่าบริกรร ม, มจะให้บริกรรมว่าอะไรโอ้ยเยอะแยะก็สมถะขึ้นมาบนสุดเนี่ยยอดมงกุฎของพระศาสนาพุทธเนี่ยก็คือวิปัสสนาซึ่งวิปัสสนาเนี่ยหาอาจารย์วิปัสสนาก็ยากหาคนที่จะสนใจก็ยากเพราะถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ย ลำพังหารับประทานนี่ก็เหนื่อย ล, ล้วลำพังเลี้ยงลูกอยู่กับสามีอยู่กับแฟนก็เหนื่อยแล้วอ่าวิปัสสนาแบ่งอีกวิปัสสนาแบบสอนได้สอนได้บอกทางได้แต่จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่เนี้ยที่เนี่ย คือทำไมทำไมพระทำไมพระถึงชอบชอบชอบที่จะพูดว่าที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นนี้บุญคุณของที่นี่ไปแล้วคือคือที่นี่ให้อะไรกับพระมากทั้งอาจารย์กำพลคือพระอยู่ที่จะจะฟังคลิปของพระอาจารย์กำพลเอเออออาจารย์กำพลทองบุญนุ่มซึ่งเป็นโยมะนะแล้วก็หลวงพ่อเทียนอ่ะทีนี้พระ ทั้งสององค์อะ่ะซึ่งเป็นปรมาจารย์เนี่ยก็ก็ได้ทำให้ทำให้เห็นน่ะทำให้เห็นก็คือช่วงที่พระมาบวชอยู่ที่เนี่ยก็มีอยู่มีอยู่วันหนึ่งที่อัดอัดเสียงหลวงพ่อคำเขียนน่ยช่วงที่ท่านป่วยอยู่โรงพยาบาลป่วยอยู่ยังมีคนให้สแสดงธรรมท่านก็พูดไปกไม่เห็นดูาไม่เห็นว่าท่านจะป่วยเลย <c oughs> คือฟังอยากเสียงนะฟังอยากสภาวะเนะี่ยท่านก็พูดไปคือมันมันยากว่าคือไอค้คําำเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ไอสิ่งเนี้ยมันมันยาก อ, ะอ่ะอมันยากที่จะพบไม่ใช่ว่าเอยบวชนานแล้วก็อ่อเวลาเจ็บป่วยแล้วโอ้ขอเสยยงเสยยางร้องไห้อะไรมันมันออกมาจากสภาวะธรรมว่าท่านถึงแล้วอ่ ตตอนสุดท้ายท่านก็ไม่ปิดนะนะในพระก็ไปอ่านในตามเส า, เาที่เห็นนะี่คือเห็นพระนิพพานก็ด้วยเวลานะพระก็สามารถพูดโดยที่ไม่ได้ซ้อมมาจนจบก็ขอให้ทุกท่านที่ร่วมฟังไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะครับขอให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ทุกท่านทุกคนเถิด